เรื่องที่หประตูสวรรค์การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีทหารลูกพระอาทิตย์แต่งเครื่องแบบครบเครื่องพร้อมทั้งดาบสมุไรไปยินป่ายขึ้นไปหาอาจารย์ฮากูอินความต้องการก็อยากไปคุยกับพระให้พระแก้ข้อสงสัย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 มีดาบด้วยเหรอคมหรือเปล่านะตัดหัวฉันได้ไหมนั่นเหมือนอนย่างก็เอาน้ำมันสาดใส่ไฟที่เรื่มคุทหารผู้ปริมล้นด้วยศักดิ์ศรีไม่ฟังอีรคา่าอิรมอันใดมื อ, มอตีนหน้าตามันเป็นไปของมันเองชักดาบออกจากฝักเมื่อไรไม่รู้ตัวก็พอดี ได้ยินท่านอาจารย์เปลี่ยนระดับเสียงด้วยน้ำใจกรุณาปราณีเยี่ยงพระมาโปรดสัตว์หน้าโงา่านี่ไงลูกเอยประตูนรกแล้วหลักที่เธอกำลังเป็นอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวขนาดนี้นี่แหละกำลังเยียบประตูนรกแล้วละ่ะถ้ามีประตูแล้ว นรกจะมีหรือไม่มีหลังฉับพรันทันทีนั้นเหมือนกันนักดาบซามูไรของเราก็สำนึกตัวสำนึกบาปมือไม้แข้งขาอ่อนสุดตัวลงกราบแทบเท้าวายแล้ววายอีกขออภัยและยอมตัวเป็นสิทธิ์ยอมหมดทั้งกายทั้งใจตั้งแต่บัดนี้ไป ท่านอาจารย์เลยถือโอกาสกล่าวชี้แจงขึ้นอีกวาระหนึ่งว่านี่ไงลูกเอย๋ยประตูสวรรค์หลักที่เธอกำลังเป็นอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวขณะ น, นี้กำลังเหยียบประตูสวรรค์แล้วหละ่ะถ้ามีประตูสวรรค์แล้วสวรรค์จริงๆจะมีหรือไม่มีหลัก นิทาน ก, จก็จบจากเรื่องราวที่เล่ามานี้เราท่านย่อมทราบในเนื้อนิทานเรื่องนี้เองแม้มันจะเป็นข้อความโต้ตอบสั้นๆแต่ก็บรรยายถึงมโนกรรมวจีกรรมกายกรรมที่ท่านอาจารย์เซนทั้งหลายใช้สอนศิษย์ให้รู้ให้เห็นกันเดี๋ยวนั้น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 ต้องใช้เวลาหลายอาทิตย์เสร็จแล้วยังเลือนเลือนกลัวว่ามันจะเรียงข้อนั้นก่อนข้อนี้หลังภวคพวนดูเอาเถิดทันทั้งหลายมันเป็นการเหลือบ่ากว่าแรงเหลือเกินที่จะต้องมานั่งอธิบายข้อความที่ลึกลับละเอียดแต่นำสื่อให้เห็นกันสดๆไม่ได้เกี่ยวกับนรกสวรรค์